สวัสดียามบ่ายตอนนี้เวลาเที่ยงยี่สิ้านาทีภาคบ่ายนี้ <c oughs> เราจะปฏิบัติกันฝึกเจริญสติทั้งนั่งและยืน ก็ลองดูนะว่าระยะเวลาจากนี้ไปเนี่ยมันมีเวลาให้เราอีกสามชั่วโมงเพื่อชีวิตเรามีอยู่เท่านี้ทำให้เสมือนว่าชีวิตเรามีอยู่เท่านี้ทำให้เสมือนว่าชีวิตเรามีอยู่สามชั่วโมงนี้เที่ยงครึ่งไปบ่ายโมงครึ่งบ่ายสองครึ่งบ่ายสามคึ เราก็ใช้เวลาที่มีอยู่นี้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดกับจิตวิญญาณของเราก็ให้มีใก่ใจในการเจริญสติในเบื้องต้นนี้ลองนั่งลองเดินเดินแล้วก็พักสิบนาทีก็กลับมานั่ง แต่ในระหว่างที่พักก็ให้สติเกาะอยู่กับจิตอยู่ตลอดรู้การเคลื่อนไหวตลอดอยะระเวลา <c oughs> เราก็ปฏิบัติกันมาเยอะแล้วลองดูซิว่าให้สติมันเกาะอยู่ที่จิตประคองสติไว้ที่จิตนั่นหมายความว่าให้มันรู้ทุกขณะของการเคลื่อนไหว มันไหลออกไปไปคิดไปปรุงแต่งสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากกายใจเราก็ดึงกลับมาคือไม่เปิดโอกาสให้มันไปปรุงแต่งข้างนอกการว่าปรุงแต่งก็คือมันไปนเสีอยู่ข้างนอกนั่นแหละแต่มันมันสามารถไหลออกไปได้แบบธรรมชาติแต่เราก็ดึงดึงกลับมาด้วยการฝึกฝนการมันไหลออกไปข้างนอกนะั้นมันเป็นธรรมชาติของมัน เราดึงกลับมาเนี่ยเป็นการอบรมเหมือนเด็กที่เราให้อยู่บ้านแต่มันวิ่งเล่นวิ่งสนเหมือนเราเลี้ยงเด็กเล็กเด็กที่เพิ่งคลานได้มันสนุกสนานธรรมชาติของเด็กแต่เราปล่อยไว้เนี่ยมันก็จะคลานออกไปข้างนอกมันคลานออกไปมันเป็นธรรมชาติของมันเพียงแต่เราอย่าปล่อยให้มันคลานไปเรื่อย ถ้าเด็กมันคลานไปเรื่อยๆเนี่ยมันเกิดอันตรายผมมันคลานออกไปเราก็เอาเขากลับมาคลานออกไปเราก็เอาเขากลับมาเหมือนกันเหมือนการประคองสติไว้ที่จิตให้จิตให้สติมันอยู่กับจิตจิตหลุดออกไปข้างนอกก็มันหลุดออกไปเป็นธรรมชาติเราแค่เอาเขากลับมาอยู่กับสติ ให้ใช้เวลาที่มีในวันนี้ให้เหมือนกับสิ่งที่มีค่ามากดูไวมากรู้ไวมากอย่างระลึกให้มากให้ทุกเวลาที่มันมีอยู่นั้นมันเป็นห่วงเวลาของการภาวนาจริงๆเพราะฉะนั้นจากนี้เราก็จะเดินจงกรมกันประมาณระยะเวลาหนึ่ง เดินจงกรมก็คือเป้าหมายก็คือการให้จิตรู้อยู่ที่การเคลื่อนไหวของเทา้าดูที่ว่าเราจะประคองสติให้คอยจ้องดูรู้การเคลื่อนไหวของเท้าเราได้อย่างไรเราไม่ต้องไปหาคําตอบเราแค่ทําให้สติมันคอยดูรู้อยู่ที่การเคลื่อนไหวของเท้านั้นน่ะไม่ต้องหาคําตอบว่ามันรู้การเคลื่อนไหวของเท้าได้เป็นอย่างไร พระถ้าเรมองหาคําตอบว่ามันุมองว่าการที่มันรู้การเคลื่อนไหวของเท้ามันจะให้ผลเป็นอย่างไรนะั่นหมายความว่าใจเรามันหลุดไปอยู่กับอนาคตเราไม่ต้องไปหาความเคลื่อนไหวของไม่ต้องไปหาผลของอะไรไม่ต้องไปตั้งความหมายอะไรไม่ต้องคาดหมายอะไรเพียงแค่ยังยังระลึกรู้ลงไปที่การเคลื่อนไหวของเท้าของเราตามความเป็นจริง ขยับรู้ขยับรู้ขยับรู้ขยับอย่างไรรู้อย่างนั้นขยับอย่างไรรู้อย่างนั้นยืนอยู่น้ําหนักตัวกดลงไปที่ฝ่าเท้าของเราก็รู้ขยับฝ่าเท้าให้จิตมันรู้ให้เกลียวรู้มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากนั้นก็ตั้งใจไว้ที่จะรู้การเคลื่อนไหวของเท้าแล้วเราก็รู้รู้ส้นที่เคลื่อนไหวรู้เท้าที่เคลื่อนไหวรู้เท้าที่มันเหยียบลงแตะพื้นรู้เป็นขณะขณะขณะขณะไปตามความเป็นจริงอย่างนี้ รู้จะซื่อตรงกับสิ่งที่ถูกรู้ไม่มีอะไรมาขั้นตอนไม่มีอะไรมาเจาะในเส้นทางของการรู้ระหว่างสิ่งจิตรู้กับสิ่งที่ถูกรู้นั้นได้นี่เรียกว่ารู้ซื่อรู้ตรงตรงก็ไปต่อสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นเมื่อตั้งใจได้เข้าใจอย่างนี้แล้วก็ให้ปรับนะให้ปรับใจของเราถ้าเราไม่ปรับ อุปสรรคในการภาวนาของเรามันจะเยอะปรับอินทรีย์ก็คือว่าสร้างศรัทธาปลุกความเพียรแล้วก็เจริญสติ mm hmm. เจริญสมาธิอบรมปัญญาศรัทธาสติ ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาให้เราปรับขึ้นมานะให้จิตมีกำลังของศรัทธาน้อมใจเข้าไปเชื่อมั่นจิตมีกำลังของวิริยะคือน้อมก็ไปบากบั่นจิตมีกำลังของสติคือน้อมก็ไปอย่างระลึกจิตมีกำลังของสมาธิคือมุ่งมั่นแน่วแน่อยู่กับ ความเป็นกลางด้วยอารมณ์ที่ระลึกนั้นและตัวปัญญาก็ให้จิตรู้ให้ตลอดรปจนถึงที่สุดของมันก็คือความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆให้ได้ว่ามันเป็นเพียงแค่เกิดและก็ดับหรือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดังกล่าว ให้ใจมันมีลักษณะห้าประการนี้เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆความมีแก่ใจในการที่จะภาวนาไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันก็จะมากขึ้นความมีแก่ใจที่เพิ่มขึ้นมันทำให้การภาวนาของเราเป็นธรรมชาติมากขึ้นวันต่อไปนี้ให้พวกเรานั่งให้พวกเราเตรียมลุก แล้วก็เดินเดินจงกรมวันนี้คนไม่เยอะสถานที่เดินเยอะมากชั้นใส่ผมชั้นชั้นบนจุดนู้ชั้นสี่ชั้นสามชั้นสองนี้แล้วก็ชั้นล่างหลักการเดินจงกรมสิ่งที่จะต้องทำมีไม่มาก หนึ่งให้กำหนดเส้นทางเดินของเราว่าเราเริ่มต้นจากตรงไหนสิ้นสุดตรงไหนนี่สำคัญสองให้ตั้งใจไว้ทุกขณะของการเคลื่อนไหวเท้านั้นเราจะยังระลึกรู้เข้าไปในการเคลื่อนไหวนั้นในกิริยา น, นั้นๆจะหมุนจะยกจะย่างจะเหยียบไม่ว่าจะทางข้างซ้ายไม่ว่าจะข้างขวา ขยับแล้วให้มันรู้สึกขยับแล้วให้มันรู้สึกแล้วก็ถ้ามันหลุดออกไปคิดอยู่กันนอกก็ดึงกลับมาเข้ามาสู่แล้วก็น้อมก็ไประลึกอย่างนั้นทำอยู่อย่างนี้ตั้งใจให้มีความมุ่งมั่นความตั้งใจที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น <c oughs> เอาละเือนได้ <c oughs> ให้ทำความรู้สึก เรามันเป็นเพียงแค่รูปแค่นำไม่เป็นไรหรอกข้าวของเดี๋ยวธรรมาคว้าให้ธรรมะจะเดินอยู่ข้างล่างนี่แหละให้ทำความรู้สึกเหมือนเราเนี่ยตัวคนเดียวมีเวลาน้อยต้องเก็บเกี่ยวการรู้เก็บเกี่ยวการอย่างรู้อย่างระลึกลงไปสู่การเคลื่อนไหวของเท้าให้มาก สติเหมือนเม็ดกรวดเม็ดทรายที่เป็นทองคำเราจะต้องมันเก็บมันขนมันเก็บมันขนมันเก็บมันขน mm hmm. ถ้าไม่เก็บไม่ขนเราก็ไม่สามารถให้จิตมันจดจ่อเข้าไปพร้อมด้วยการหยั่งระลึกเข้าไป ให้มันรู้สึกตามความเป็นจริงที่เราจรดเตรียมที่เราทำยืนตรงๆก็ให้รู้สึกตัวทั้งตัว ต, ตั้งแต่หน้าลงมาเบื้องบนตั้งแต่หนังศีรษะลงมาถึงขวาเท้าให้มันรู้สึกตัวไปช้าๆพอมันไปถึงขวาเท้าแล้วก็รู้สึกได้ถึงน้ำหนักที่กดอยู่ตรงที่ขวาเท้าก็ขยับเท้าเบ า, เ า, เาๆให้จิตมันรู้สึก แล้วก็ค่อยตั้งใจช้าๆว่าเราจะรู้สึกต่อการเคลื่อนไหวของเท้าทั้งข้างซ้ายและข้างขวาถ้าใจมันหลุดไปคิดเรื่องอะไรก็ช่างไม่ใส่ใจในเรื่องที่คิดดึงจิตกลับมาแล้วก็รู้การเคลื่อนไหวของเท้าใช่ไวิธีการทำอย่างนี้แหละ ที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราทำทำจิตให้มันสบายสบายอย่าให้มันมีความกังวลใดๆอย่าให้มันมีความอาลัยใดๆอย่าให้มันมีความสงสัยใดๆเข้ามาได้หรือแม้นว่าถ้ามันมีเราค่อยรู้แล้วก็ปล่อยมันไปเกิดความสงสัยขึ้นมาเราก็ไม่ต้องไปหาคำตอบ แค่รู้ว่ามีความงสงสัยเกิดขึ้นแล้วเราก็ปล่อยมันไปกังวลเรื่องอะไรก็แค่รู้ว่ามีความกังวลเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยมันไปเราเดินกันแค่นี้นั่งกันแค่นี้เราดูที่เราเกิดความรู้ยังไง เรารู้สึกยังไงและลองนึกย้อนไปสมัยพระพุทธเจ้าพวกอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุนีถ้าเราเป็นผู้หญิงเราก็นึกดูว่าพวกภิกษุนีสมัยก่อนทั้งวันทั้งคืนอยู่กับการทรงสติทรงสมาธิแล้วเดี๋ยวก็เดิน ประเดียวก็เดินประเดียวก็นั่งประเดียวก็เดินประเดียวก็นั่งแม่แต่ยามนอนการจับผ้าจับพรจัดผ้านุ่งจัดเปลี่ยนผ้านุ่งจับผ้าห่มใช้สติสมาธิทรงตัวอยู่ตลอดเวลาคิดดูที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดไหนความรู้อินทรีย์จะแข็งแรงขนาดไหนนี่เราแค่เดือนหนึ่ง มาทักครั้งชีวิตมันดำปุดดำว่บอยู่ในทะเลของสังสารวัตรเราดำอยู่นั่นน่ะดําไม่รู้ทิศทางในว่วงของมหาสาครกว้างใหญ่ลึกด้วยลงไปข้างล่างก็ไม่ได้ไปข้างซ้ายก็ไม่ได้ไปข้างขวาก็ไม่ได้ไปข้างหลังก็ไม่ได้มีแต่เดินหน้าอย่างเดียว ทางเดินหน้าที่เราไหว้กันอยู่คือทางที่พระพุทธเจ้าบอกเราไหว้ไม่ไหว้ไปไหว้ไปเพียนไหว้ไหว้ไปได้สักระยะหนึ่งอ้าวโดนคลื่นตีกลับไปอีกแล้วแต่เราก็ยังเปิดโอกาสให้กับตัวเราเองเดือนหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้ง มีจังหวะ ก, ก็ทำมีจังหวะ ก, ก็ทำมีจังหวะ ก, ก็ทำแต่ไอกระแสของคลื่นของกิเลสวัสด์นี่มันแรงที่มันจะลากเราลงสู่ห่วงลึกของมหาสาครใหญ่ <c oughs> แต่ทางที่พระพุทธเจ้าบอกเป็นทางที่เราจะต้องไหวเพียรไหวเดินหน้าอย่างเดียวเพื่อถึงฝั่งแม้ว่ามันยังไม่เห็นฝั่งมันยังไม่รีบรี มันยังมองไม่เห็นแต่ทิศ ท, ทางที่เรากำลังมุ่งมั่นอยู่นั้นเป็นทางที่พระพุทธเจ้าบอกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเพิ่มขึ้นไปทุกวันทุกวันคือศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้าให้มันมั่นคงมากขึ้นนั้นเขาจะต้องให้เราปรับอินทรีย์เพิ่มความแข็งแรงของอินทรีย์เพราะว่าเรายังไม่เห็นฝั่งฝั่งเรายังมองไม่เห็น เราทำท่าเพียนไหว้เพียนไหวไปเรื่อยเรื่อยรื่อยอยคลื่นก็ตีกลับอีกออกไปสู่กระแสโลกกระแสโลกมันเป็นคลื่นใหญ่มากรอบตัวมีแต่ดึงเราลงลงห่วงของทะเลลึกเราก็ไหวามาอีกก็ดึงเราไปสู่ว่วงของทะเลลึกเราก็ไหวามาอีกแพอเราไปอยู่ว่วงทะเลลึกไม่ใช่ไปธรรมดามันไปหมกมุ่นชุ่มแช่ มักหมมจมอยู่ในนั้นมันไม่มีใครที่จะช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองคนที่บอกเราคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ดีพระอราหันตสาวกก็ดีหรือแม้แต่อันตมาที่มานั่งบอกอยู่นี้ก็เป็นเพียงแค่มักคะขายีก็เรียกว่ามักกะขายีคือเป็นเพียงพี่เพียงแค่เป็นผู้บอกทาง เป็นเพียงผู้บอกทางส่วนคนไหว้คนออกแรงที่จะให้ขับเคลื่อนไปตามทางนั้นคือเราผู้เดียวไม่มีใครช่วยได้เราก็ต้องทำจนว่ามันติดเป็นนิสัยในที่สุดแล้วแม้แต่ว่า การปฏิบัติที่มันต่อเนื่องไม่ขาดสายนั่นก็หมายความว่าทุกขณะของการมีชีวิตมันมีความตื่นตัวต่อยอดการปฏิบัติอยู่ตลอดเวลามีสติสมาธิสัมปัญญาแล้วก็ไปชงตัวใช้อยู่สมำส่ำเสมอไม่ขาดสายอันนี้ก็จะง่ายขึ้นนั่นเรียกว่ามันมีฉันทะแล้วจิตมีฉันทะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสงบที่ปรากฏ อย่างเราเดินจิต ท, ที่รู้การเคลื่อนไหวของเท้านั่นคือความสงบที่ปรากฏจากความเพียรความสงบนั้นแหละมันสงบต่อเนื่องไปบ่อยๆจนจิตมันเกิดความยินดีต่อความสงบนั่นเรียกว่าฉันทะความสงบที่เกิดที่จิตมันยินดีที่เรียกว่าฉันทะนั้นอ่ะมันจะสร้างสัญชตาตญาณ เรียกว่าสัญชาตญาณจะเปรียบเทียบกับกิเลสก็เหมือนกิเลสที่อบรมเรานั่นแหละอบรมเราอบรมเราอบรมเราจนเราเป็นคนนิสัยอย่างนั้นเหมือนกันเราก็ปฏิบัติอบรมจิตของเราด้วยสติสมาธิอบรมไปอบรมไปจนมันเป็นสัญชาตญาณเหมือนกับว่ามันเป็นนิสัยอย่างนั้นจะลุกจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะยื้ยก คู่แขนเหยียดแขนคู่ขาเหยียดขาไม่ว่าอิริยาบทใหญ่อิริยาบถย่อยสามารถที่จะมีสติสมาธิและปัญญาทรงตัวอยู่ตลอดระยะเวลาของมันด้วยอำนาจของศรัทธาด้วยอำนาจของความเพี่ยนที่มันขับเคลื่อนให้เป็นไปอันนี้ถ้าถ้าเมื่อใดที่เราไปถึงฝั่ง เมื่อ น, นั้นเราจะรู้ว่าไอ้ความสุขยิ่งกว่าความสะบบมันไม่มีความอิสระที่แท้จริงของชีวิตเป็นอย่างไรความเป็นอิสระก็เหมือนกับคนที่ว่ายน้ำอยู่ในมหาสมุทรสาครใหญ่นั่นแหละมันจมอยู่ในทะเลวัดมันก็ต้องลอยตัวอยู่ตลอดเวลาทีนี้มันก็เกิดความทุกข์เกิดความเหนื่อยล้าแต่ถ้าไม่ทรงตัวไว้มันก็จม อนี้ก็คนงึดไม่ไหวจมจมลงไปมันก็ตายอันนี้มันมันสู้ไว้แต่สู้ไว้นี่มันจะสู้ไม่เคยมีจุดหมายสู้ไห้สู้ไห ว, ไ, วไปซ้ายไหวไปขวาไหวไปหลังไห้ไปเรื่อยเพื่อที่เพื่อหวังไว้ว่ามันจะได้พบกับความสุขแต่ว่าความสุขแท้จริงมันอยู่บนฝั่งมันต้องพ้นจากการจมพ้นจากการไหว้ พลจากว่วงของมหาสาครนั้นมันจึงจะพบกับความอิสระอย่างแท้จริงได้เนีัน้นมัน ม, มีใครมาบอกเราจนเกิดปีพระพุทธเจ้าขึ้นมาพระพุทธเจ้าท่านพบเองท่านถึงความของท่านเองเดี๋ยวท่านก็มาบอกเราเราอาศัยความเชื่อที่มีต่อพระพุทธเจ้าทีนี้เราก็ไหว้ไปตามเส้นทางที่พระองค์บอกไปตามทิศ ท, ทางนั้นไหว้ไปเรื่อยๆ พวกไหนที่ถึงฝั่งแล้วเขาก็อยู่บนฝั่งไม่มีลงกลับมาไหวจมอยู่ในมหาสาครนั้นอีกอขึ้นฝั่งแล้วก็ไม่มีไหว้ลงมาจมอยู่ในมหาสาครนั้นอีกเหลือแต่แต่ว่าทั้งสารสัตว์เนี่ยที่มันแหวกว่ายวนอยู่ในมหาสาครนี่มันมากต่างก็มีความปรารถนาอันเดียวกันะ คือต้องการความสุขอย่างแท้จริงต้องการความสุขอย่างแท้จริงต้องการความอิสระไม่ต้องการความทุกข์ไม่ต้องการให้ความโกรธมันครอบงาจิตไม่ต้องการให้โลภความโลภมันครอบงาจิตไม่ต้องการให้ความหลงมันครอบงาจิตไม่ต้องการให้ตนเองเป็นผู้ผิดไม่ต้องการให้ตนเองเป็นผู้ทุกข์ไม่ต้องการให้ทุกเกิดไม่ต้องการให้ความโศกเศร้าเสียใจเกิดไม่ต้องการความพราดพลาดไม่ต้องการความลาบาก ยากแค้นไม่ต้องการสักอย่างหนึ่งอะไรที่มันระบากระบากระเราไม่ต้องการสักอย่างหนึ่งันมนุษย์สัตว์ทั้งหลายเหมือนกันหมดไม่ยกเว้นแม้แต่ทั้งสัตว์ดิเรฉานมันก็ต้องการความสบายสังเกตดูดิเวลามันคันตัวขึ้นมามันเกาตรงนี้มันก็ลุกขึ้นวิ่งไปนอนตรงโน้นเพราะมันเข้าใจว่าไอ้ที่นอนตรงนี้มันคัน มันก็วิ่งไปนอนตรงโน้นพอไปนอนตรงโน้นมันยังคันอีกมันก็วิ่งไปนอนตรงนี้มานอนตรงนี้มันคันอีกก็วิ่งไปนอนตรงโนนวิ่งอยู่อย่างนั้นนะเพราะมันสำคัญว่าความคันมันอยู่ที่ที่แต่แท้จริงมันความคันมันอยู่ที่ผิวหนังของมันอยู่ที่นอนที่ชอนใจที่ตัวของมันมันไม่รู้อันนี้ก็เหมือนกันนะกับเราทั้งหลายแหละเราปรารถนาความสุขความอิสระความหลุดพ้น ทุกคนปรารถนาเหมือนกันหมดไม่ว่าหญิงชายเด็กสาวความปรารถนาอันนี้ไม่แบ่งแยกเพศไม่แบ่งแยกไว้ล้วนแต่ปรารถนาเหมือนกันหมดแต่ว่าความเข้าใจที่เราดิ้นรนกันอยู่เราดิ้นรนกันเพื่อหาความสุขดิ้นรนกันเพื่อหาความสงบดิ้นรนกันเพื่อหาความสําเร็จแต่ความสุขความสงบความสําเร็จที่เราได้มามันกลับเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้เราต้องทุกข์ มันกลับเป็นเหตุเป็นปันใจจัยให้เราต้องดิ้นรนหาต่อไปอีกเพราะมันไม่ใช่สุขที่จริงๆไม่ใช่ความสงบจริงๆไม่ใช่ความสําเร็จจริงๆอย่างนี้ทําเปิดใจให้มันมีความรู้ทําความรู้ในใจให้มันเกิดความสัมผัสกับความรู้สึกแบบนี้นั่นแหละจิตมันจึงจะเปิดเข้าสู่การภาวนาได้การเชื่อในพระพุทธเจ้าและเดินไปตามเส้นทางที่พระพุทธเจ้าบอกเนี่ยมันเป็นวิธีของบัณฑิต เป็นวิธีของผู้ฉลาดกับการที่จะแสวงหาเส้นทางของความพ้นทุกข์นั่นเองเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่ได้มิโกาดเข้ามาอยู่ในพระพุทธศาสนาและเจอเส้นทางดังนี้แล้วเนี่ยเพียงแค่เพิ่มความเชื่อในพระพุทธเจ้าเพิ่มความเพียรเพื่อการที่จะฝึกฝนเจริญสติสมาธิและปัญญาให้มันมากขึ้นมากขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นก็จะทาให้เรา เคลื่อนตัวเข้าไปถูกฝังใกล้ขึ้นและเมื่อเคลื่อนตัวเข้าไปใกล้ฝังมากขึ้นน้ํามันก็จะตื้นขึ้นน้ําจะตื่นขึ้นความอิสระรสชาติของความอิสระก็จะเริ่มเจอตอนที่เราหลุดพ้นจากน้ําลึกเราสเรายังอยู่ในน้ําก็จริงแต่เรายังเดินได้นั่นหมายความว่ามันมองเห็นฝังแล้วมันมองเห็นฝังแล้วทิศ ท, ท, ทางของเราตอนที่เรายืนอยู่บนพื้นดินยืนอยู่ในน้ำแต่เท้าแตะพื้นได้ หน้าไม่จมยืนแล้วหายใจได้ไม่ต้องไา้อีกแล้วแค่เดินไปตามฝั่งที่เราสามารถมองเห็นทิศทางนั้นมันแน่นอนมันไม่หวนกลับไปสู่ความลึกของทะเลอีกต่อไปมันมุ่งหน้าข้าไปเพื่อที่จะไปยืนอยู่บนฝั่งนั้นเท่านั้นจิตมันเหนื่อยหน่ายมันจะเบื่อความแหวกว่ายอยู่ในมหาสาลนั้นเหมือนกับซากศพที่แขวนอยู่ที่คอของเรา เรารังเกียจมันพร้อมที่จะสลัดมันตลอดเวลานั่นนะไอ้คนที่จมอยู่ในทะเลมหาสาคอนี้ก็เหมือนกันในขณะที่มันแหวกว่ายกันอยู่เนี่ยเมื่อมันผูกทางเชื่อพระพุทธเจ้าดําเดินตามรอยทางที่แนวทางที่พระพุทธเจ้าบอกวหาไปเรื่อยๆว่ายไปเรื่อยๆว่ยไปเรื่อย ๆ, ยอยๆพอมันเห็นฟังมันก็จะเพิ่มกําลัง การคลับเคลื่อนการแหวกว่ายความเพียรอะไรต่างๆมันก็จะมุ่งมั่นแน่วแน่ตรงไปในที่สุดมันก็เท้าก็แตะพื้นอย่างที่ว่าบอเท้าแตะพื้นทีนี้มันก็ไม่หวนกลับเข้าไปถูที่ลึกอีกต่อไปอันนี้มันมีความชัดเจนแน่วแน่เป็นอย่างนั้นเหมือนกันกับการที่พวกเราต้องมาเดินต้องมานั่งต้องมาฟังธรรม ก็เพื่ออะไรเพื่อให้สติสมาธิและปัญญาของเรามันแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นจนจิตมันสว่างโบหะและอวิชชาที่มันครอบงําจิตเราอยู่อวิชชาที่มันหุ้มห่ออยู่และโบหะที่มันรองรับความลุ่มหลงความเพลิดเพลินในอารมณ์ของเราที่มันชุ่มแช่อยู่มันสองชั้นที่มันซ้อนหุ้มห่อใจของเรามันเป็นเหมือนกันหมดทุกคนเป็นแบบนี้ เราก็จะต้องอาศัยความเพี่ยนใช้สติสมาธิและปัญญาเจาะทะลุช่องของโบหะช่องของอวิชชาให้มันทะลุออกไปมีความสว่างของแสงแห่งวิชาที่เปิดช่องเข้ามาจิตสัมผัส ด, ดังนั้นได้แล้วมันเหมือนกับคนที่เดินอยู่ท่ามกลางทะเลทรายที่หิวน้ําหาน้ําไม่ได้แค่ไปเห็นน้ําว่าเป็นน้ําจริงๆแค่นั้น ความรู้สึกความรู้สึกของจิตของผู้นั้นปันหนึ่งว่าได้พบสิ่งวิเศษและจะไม่เดินลุกหนีออกไปไหนอีกแล้วมุ่งมั่นที่จะตักน้ำขึ้นมาดื่มขึ้นมากินอย่างเดียวเหมือนกันขั้นได้ตักน้ำขึ้นมาดื่มมากินแล้วก็จะเรียกว่าเหมือนกับสำเร็จกิจที่จะต้องทำและการแสวงหาในขณะนั้นอันนี้ก็เหมือนกัน ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการบีบคั้นของอวิชชาของโบหะของอาสวะทั้งหลายที่จิตของเรามันทำให้เรานี่มันมีความทุกข์มากทุกน้อยทุกหญ่อยมีความกังวลมีความอาลัยแล้วใช้ความหลงความเพลินมาหลอกลวงให้เราติดอยู่ในตาข่ายของอาสวะทั้งหลายเหล่านั้นมันเหมือนกับพวกที่เดินในทะเลทรายนั่นแหละสุดท้ายมันก็เหือดแห้งหิวกระหายเหือดแห้งหิวกระหายเหมือนกัน แล้วมันก็หาอะไรมันก็จะต้องหาหาน้าเหมือนเรานี่แหละที่เรานี่กำลังท่องเที่ยวกันอยู่ในสังสารวัตรนี้เราก็เหือดแห้งหิวกระหายเหือดแห้งหิวกระหายเราหาอะไรเราก็หาน้าน้าคืออะไรน้าก็คือความสงบหรือความสุขที่เราจะต้องหามนให้ได้แค่ไปมองคนที่อยู่ในทะเลทรายแค่ไปมองเห็น ว่านี่น้ํายืนอยู่ใกล้ๆบ่อน้ํามองเข้าไปในนั้นเห็นเป็นน้ํามันจะไม่ไปไหนอีกแล้วเพราะความกระหายที่มันมีอยู่นะั้นมันมากมองลงไปในบ่อน้ําเห็นน้ํานี่มันไม่ไปไหนอีกแล้วนขณะนั้นแถมยังตะโกนบอกผู้อื่นได้ด้วยว่าน้ําอยู่นี่น้ําอยู่นี่น้ําอยู่นี่อย่างมั่นอกมั่นใจเหมือนกัน เมื่อเราปฏิบัติไม่ตามตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเห็นแสงสว่างของวิชาเจาะทะลุกองของโบุหะไปได้มีความริบรี่ของแสงสว่างที่ลดช่องของความมืดของอวิชชาและโบุหะเข้ามาได้สู่จิตจิตนั้นจะเปิดเจอจ้าขึ้นมาจะสว่างสวัยขึ้นมามันไม่ไปไหนอีกแล้วอมมันพบแล้วเหมือนกับสิ่งที่หาอยู่มานิ่นนานนั้นมันเจอแล้วอย่างนี้เพราะฉะนั้นการลดละ ความเพียรความพยายามในการที่จะเจริญสติสมาธิและปัญญานั้นเป็นสิ่งที่บัณฑิตทั้งหลายพึงกระทาเป็นอย่างยิ่งมันมุ่งมั่นเจริญมันอบรมให้มากนั้นต่อไปนี้ขอพวกเรานั่งเจริญสติด้วยอนาปานสติ ที่ให้เราใช้อานาปานสติเมื่อกี้นี้เราเดินกันมาแล้วนั่นไอ้จิตที่เคลื่อนไหวอยู่กับสติการยังลงไปเพื่อรู้สึกต่อการเคลื่อนไหวของกายที่กาลังเคลื่อนอยู่ของเท้าที่กาลังเคลื่อนไหวอยู่นั่นมันเป็นความสงบคือหยุดจิตอยู่ที่อารมณ์อันเดียวแต่ตอนนี้เราก็ยกจิตนั่นแหละเข้าไปยังรู้สึกอยู่กับลมหายใจประคองลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออก ในเบื้องต้นนั้นให้ทดสอบว่าเรามีสติสมาธิที่เราทรงตัวจากการเดินยงกลมมายังคงอยู่อย่างไรก็ลองประคองลมหายใจกลางๆแล้วก็หายใจสูดลมหายใจเข้าเบาๆให้เหมือนกับดึงความสงบเข้าไปสู่จิตสูดลมหายใจเข้าโดยไม่ต้องไปรู้อะไรหรอก แค่สูดลมหายใจเข้าลลกลางลมกลางๆงเบาๆ เ, เหมือนสูบเอาความสงบเข้าไปสู่จิตให้จิตมันชุม่มไว้ก่อนแล้วมันจะเกิดความเบาเกิดความสบายเกิดส ป, ปายะขึ้นมาไอ้เบาสบายส ป, ปายะขึ้นมาตรงนั้นเป็นจุดตั้งต้นที่จะให้จิตนั้นรู้ลมหายใจที่จะไหลออกมา หายใจเข้าเบาๆกลางๆสูดลมเข้าไปเบาๆให้ข้างในมันเกิดการผ่อนคลายและสบายเหมือนสูบเอาความสงบเข้าไปด้วยทำให้มันฉ่ำอยู่ข้างในได้อย่าไปสงสัยว่านะมันสมมติไหมมันจะอย่าไปสงสัยอย่างนั้นทำเพื่อมันเกิดสปรปพยะพอเมื่อได้ดังนั้นแล้วเริ่มรู้สึกกับลมหายใจของตน โดยการปล่อยลมหายใจออกมารู้ลมหายใจไหลออกก่อนเมื่อรู้ลมหายใจไหลออกแล้วก็รู้ลมหายใจไหลเข้าไม่ต้องรีบร้อนเย็นๆยนยนช้าๆตั้งกายตรงกายไม่ไหวติ่งกายนิ่งจิตมานิ่งอยู่ที่ลมสติอย่างระลึกลงไปสู่ลมหายใจที่กำลังเคลื่อนออ ก, เ, อกเคลื่อนเข้าช้าๆ ลมหายใจเป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตมีสติเกาะเพื่อเข้าไปอย่างระลึกรู้ลมหายใจ อย่างก็ไประลึกรู้ลมหายใจสู่จุดเดียวที่ลมผ่านแรกๆตัวรู้อาจจะ ก, กว้างกว้างครอบคลุมไปทั้งตรงจมูกทั้งใบหน้าทั้งร่างกายบางทีมันก็รู้ร่างกายไปด้วยรู้ใบหน้าไปด้วยรู้ลำตัวไปด้วยรู้การนั่งไปด้วยแล้วมันให้เกิดความสงสัยเราก็ไม่ต้องไปสงสัยมันยังรู้จะรู้อย่างไรก็ช่าง แต่การยังระลึกมุ่งตรงเข้าไปสู่จุดเดียวที่ลมผ่านรู้แรกๆมันเหมือนกับการที่เราเหวียงแห้นั่นแหละเหวี่ยงแห้มันออกเป็นวงกว้างแล้ว ก, ก, ก, ก็ค่อยๆดึงเข้ามาวงกว้างก็แห้ มันก็จะค่อยค่อยแคบคงแคบลงแคบลงแคบลงแคบลงจิตที่รู้ลมหายใจนี้ก็เป็นอย่างนั้นเริ่มต้นมันก็รู้ไปรอบมันเหมือนกับว่าเรารู้ลมหายใจแต่มันรู้ตรงอื่นด้วยรู้บนหน้าด้วยรู้คอรู้ล่างรู้ยะหมูกรู้ท้องรู้ขามันก็รู้ไปทั่วแหละแต่ความเพียรที่เราคอยยางระลึกเข้าไปสู่จุดเดียวของลมที่มันเคลื่อนออกเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกเคลื่อนเข้า ความเพียรที่เรารู้เข้าไปมันก็จะขมวดเข้ามาองค์ของรู้ก็จะค่อยคมขึ้นคมขึ้นคมขึ้นคมขึ้นมาสู่จุดเดียวทำไปอย่างนี้เรื่อยๆช้าๆไม่ต้องรีบร้อนให้ใจออกรู้เรามีประสบการณ์ในการอย่างสติเข้าไประลึกสู่ลมหายใจมาหลายครั้งหลายคราวเฉพะนั้นการเข้าไปสู่ลมหายใจมันไม่ใช่เรื่องยาก ประคองให้จิตรู้มันอยู่กับลมหายใจได้อย่างนั้นต่อเนื่องไปเรื่อยๆถ้ามันอึดอัดเราก็แก้ง่ายๆด้วยการหยุดการรู้ลมแล้วก็ประคองลมหายใจกลางๆค่อยๆหายใจเข้าช้าๆ ด้วยลมสบายสบายเหมือนกับสูบอวลลมบายๆสบายเข้าไปดึงเอาความสใจเข้าไปสู่จิตเพราะมันชามสบายสบา ย, บายแล้วค่ยค่อยรู้ลมหายใจไหลออกอย่าไปเร่งรีบอาการที่เราเร่งรีบเพื่อให้จิตเข้าสู่สมาธินั้นมันเป็นอาการของอนาคตไม่ใช่ปัจจุบันการภาวนาที่ดีมันจะต้องแน่วแน่อยู่กับความเป็นปัจจุบัน ถ้าเราไม่แน่วแน่อยู่กับความเป็นปัจจุบันจิตเราจะไม่สามารถอยู่เป็นกลางได้จิตที่ไม่ได้อยู่เป็นกลางเป็นจิตที่ไม่สามารถเข้าสู่สมาสมาธิได้จิตที่ไม่เข้าสู่สมาสมาธิได้จิตนั้นจะไม่ก้าวหน้าในเรื่องของการภาวนาเพราะฉะนั้นจะเย็นเย็นไม่ไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องไปตั้งเป้าไม่ต้องไปคาดหวังไม่ต้องไปกดดันตนเอง รู้ลมหายใจไล่ออกรู้ลมหายใจไล่เข้ารู้ลมหายใจไล่ออกรูลมหายใจไล่เข้าอันเป็นสัปปยะคือสบายบายแก่การอย่างระลึกของตนของตนนี่บางคนมันอย่างระลึกลงไปไม่เหมือนกันความอาจารย์พูดบางทีพยายามทำให้เหมือนที่อาจารย์พูดมันก็เลยผิดธรรมชาติของตนเองไปเรียกว่าเอาตามสัปปยะเอาตามสบายๆของเรา ที่สามารถรู้เข้าไปแล้วมันเกิดสภายะรู้เข้าไปแล้วมันเกิดสัายะรู้เข้าไปแล้วมันเกิดสภายะจิตมันยังยังระลึกลงไปสู่ลมหายใจของเราโดยเราเป็นผู้ระลึกและรู้สึกได้ด้วยตัวของเราเองหายใจออกรู้ลงไปเรื่อยๆ พอมีเสียงเข้ามากระทบจิตรู้สึกได้ยินเสียงก็ไม่ต้องไปตั้งการปรุงแต่งว่าเสียงอะไรมาจากไหนแม้ว่ามันเผลอปรุงแต่งไปว่าเป็นเสียงอะไรมาจากไหนก็แค่รู้แค่รู้และก็วางแค่รู้แล้วก็วางให้จิตสามารถแค่รู้และก็วางให้ได้ แล้วก็เข้าไปสู่ลมหายใจ จิตของเราขณะที่ยังระลึกเข้าไปสู่ลมหายใจกิเลสไม่ได้เคลื่อนไหวใไดไดเลยนั่นแหละพอกิเลสไม่ได้เคลื่อนไหวสิ่งต่างๆมันก็อยู่ที่จิตซึ่งมีสติเข้าไปรู้ระลึกลมหายใจอยู่อย่างนั้น กิเจะเคลื่อนไหวเกิดเป็นสภาวะเราก็ต้องใช้มนต์สิการไม่ใช่ให้นิ่งอย่างเดียวขณะที่สติรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของลมหายใจไหลออกรู้ลมหายใจไหลเข้าเกิดเป็นสภาวะคือความคิดเคลื่อนไหวขึ้นที่จิต เพียงแค่รู้ว่ามีความคิดเกิดขึ้นไม่ต้องไปตามว่าความคิดนั้นคิดเรื่องอะไรคิดไปไหนทำอะไรอย่างไรมีลักษณะแบบไหนไม่ต้องไปปรุงแค่รู้ว่ามีความคิดเกิดขึ้นความคิดนั้นก็จะหายไปเพราะจิตไม่ไปปรุงต่อความคิดที่เกิดถ้าเราไม่ปรุยปรุงต่อ มันจะดับไปทันทีเพราะฉะนั้นจิตชัดเจนอย่างระลึกอยู่ที่ลมหายใจมีความคิดอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ต้องให้จิตไปศึกษาหรือปรุงแต่งว่าความคิดนั้นเป็นความคิดแบบไหนความคิดอะไรแค่รู้ว่ามีความคิดเกิดขึ้นจิตมาซ้ำจิตมาอย่างรู้ความคิดแป๊บเดียวความคิดนั้นก็จะหายไป แล้วเราก็เอาจิตกลับไปรู้ลมหายใจสบายๆความคิดทุกๆความคิดที่เกิดขึ้นถ้าเราไม่ปรุงแต่งมันเป็นเพียงสภาวะธรรมดาแต่ถ้าเราปรุงแต่งมันเป็นพบเป็นชาติในตัวความคิดนั้นถ้าปรุงแต่งไปเรื่อยๆไม่เข้าหาความเป็นจริงมันก็จะไปสุดอยู่ที่ความทุกๆความคิด และสิ่งที่จะเกาะความคิดนั้นไหลออกไปข้างนอกนั่นแหละคือเส้นทางของกิเลสซึ่งมันไม่ใช่เกิดได้ง่ายๆในขณะที่เรารู้ลมหายใจเพราะสติที่ยังระลึกเข้าไปสู่ลมหายใจนั้นมันเป็นธรรมมันมีอานาจมันเกาะอยู่กับความแน่วแน่อยู่กับความเป็นกลางอะไรเข้าไปปรุงแต่งก็ไม่ได้แต่เมื่อความคิดเกิดตามอานาจของกิเลสความคิดนั้น มันเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นจิตไปรู้ว่าความคิดนั้นเกิดขึ้นไม่ต้องไปปรุงแต่งไม่ต้องไปศึกษาไม่ต้องไปหาความอะไรมากมายแค่รู้ว่ามีความคิดนี้เกิดขึ้นความคิดนั้นจะหายไปทันทีและจิตก็กลับไปรู้ลมหายใจให้ฝึกทำอย่างนี้เพื่อการระหับความคิดอากูสลทั้งหลายที่เกิดในจิตก็เป็นความคิดอย่างหนึ่งถ้าเราสามารถระหับหรือดับความคิด ด้วยการรู้ในขณะที่ความคิดเกิดแล้วไม่ไปปรุงแต่งต่อต่อไปเราก็ความคิดที่เป็นอกุศลเราก็สามารถรู้ได้ว่ามาเป็นอกุศลและจิตจะไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของอกุศลด้วยความเป็นกลางของจิตที่รู้อยู่กับลมหายใจอกุศล น, นั้นก็จะดับไปจิตสามารถละลายอากุศลที่เกิดขึ้นในจิตได้ด้วยกาลังของสติที่เรา อย่างระลึกสู่ลมหายใจถ้าจิตไปจับสภาวะคือความคิดได้สภาวะหยาบอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเสียงที่มากระทบกับหูไม่ว่าจะเป็นกลิ่นที่มากระทบกับจมูกหรือแม้นแต่เวทนาที่เกิดขึ้นที่มีกำลังน้อยกว่าสติจิตก็สามารถที่จะปล่อยวางเวทนานั้นได้ แต่สามารถที่จะเข้าไปรู้เห็นการเกิดดับของเวทนานั้นได้ยกเว้นแต่เวทนาที่มีกำลังกล้าแข็งมากกว่ากำลังของสติและสมาธิที่ ท, ทรงตัวอยู่ที่จิตนั้นเราจะต้องรู้ในสภาวะคือความคิดนั้นก่อนความคิดเกิดขึ้นแค่รู้ว่ามีความคิดเกิดขึ้นความคิดนั้นก็จะหายไปและยกจิตกลับมารู้ลมหายใจ รู้สบายๆต่อเนื่องไปเรื่อยๆความห่วงก็ดีความสงสัยก็ดีความกังวลความลังเลล้วนแต่เป็นความคิดทั้งสิ้นเราก็ไปสมมุติสมมุติชื่อเรียกให้เข้าตามลักษณะอาการของมันตามบัญญัติของภาษาแต่แท้ที่จริงแล้วถ้าเราไม่ให้ข้าไม่ให้ความหมายไม่ไปศึกษารายละเอียดของมันมันก็คือแค่ความคิดความคิดหนึ่ง ที่เกิดขึ้นแล้วก็หายไปเกิดขึ้นแล้วก็หายไปเกิดขึ้นแล้วก็หายไปจิตที่รู้ว่ามันเกิดพอรู้ปั๊บมันหายไปจิตก็รู้ว่ามันหายไปจิตก็กลับมารู้อยู่ที่ลมหายใจหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ลมหายใจของเราจิตที่รู้ก็จะละเอียดมากขึ้นละเอียดดูลมหายใจได้หลังยละเอียดลมหายใจออกเป็นอย่างไรจิตรู้ลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรจิตรู้ จิตก่อกรู้ลมหายใจจิตรู้ที่ละเอียดจะรู้ลมหายใจเห็นลมหายใจอย่างละเอียดตามความเป็นจริงที่มันเกิดเหมือนแม่ที่นั่งไกวยเพลให้บุตรดึงเชือกเปลแกวงมาก็รู้เปลแกว่งไปก็รู้เพลงมันแกวงไปยาวก็รู้เปลมันแกวงมาสั้นก็รู้ เพลมันแขวงไปแรงก็รู้เพลยมันแกว่งมาแรงก็รู้ทั้งๆที่นั่งอยู่จับแค่เชือกอย่างเดียวอันนี้ก็เหมือนกันเราแค่อย่างระลึกเข้าไปสู่ลมหายใจอยู่จุดเดียวแต่เราก็สามารถเมื่อจิตรู้ที่แข็งแรงขึ้นแล้วก็หมดตัวเข้ามา รวมตัวเข้ามามันก็จะรู้เห็นลมหายใจที่ละเอียดมากขึ้นแม้กระทั่งเนื้อลมหายใจไหลออกเป็นอย่างไรไหลเข้าเป็นอย่างไรรู้หมดในที่สุดลมหายใจหยุดก็รู้ภาวะที่ลมหายใจหยุดจิตคลายตัวออกจากการรู้ลมหายใจไหลออกไหลเข้าคว้าดูจุดที่ลมมันผ่านนั้นแน่วแน่อยู่ตรงนั้นบางช่วงบางครั้งใหม่ๆก็จะเกิดอาการหนึ่งก็คือลมมันหยุด ลมมันหยุดจิตก็รู้ว่าลมมันหยุดอย่าไปตกใจลมมันหายไปก็อย่าไปตกใจไม่แล้วก็ไม่ต้องไปขวขใในออ ข, วขวายหาลมหายใจให้มันไหลออกไม่ต้องขวนขวายหาลมหายใจให้มันไหลเข้าข <med> <Umwelt> ้าวรู้อยู่จุดที่ลมหายใจมันหยุดนั้นก็รู้ว่าลมหายใจมันหยุดพอลมหายใจมันมาก็รู้ว่าลมหายใจออกมาลมหายใจเข้า ลมหายใจมันมาก็รู้ลมหายใจมาก็รู้ลมหายใจหยุดมันก็รู้เท่าที่มันคว้าอยู่ตรงจุดๆุดนั้นนั่นแหละแล้วมันมีสติรู้อยู่กับลมหายใจที่หยุดอาการทรงตัวตรงนั้นน่ะเรียกว่าทรงตัวเรียกว่าจิตทรงสมาธิ เวทนาที่เกิดเวทนาที่ละเอียดเวทนาที่กลางเวทนาที่หยาบเช่นความเมื่อยความปวดความชาถ้ากายมันนิ่งและจิตสามารถที่จะระลึกเข้าไปถู่ลมหายใจได้แนบแน่นแล้วแม้เวทนาที่เกิดที่กาย จิตเพียงแค่รู้แต่ไม่เบียดตดไม่เบียดเสียดต่อจิตไม่เสียดแทงจิตเวทนาที่เกิดที่เขาเวทนาที่เกิดที่ขาเวทนาที่เกิดที่ที่ไหลตรงไหนก็ช่างมันไม่เสียดแทงจิตเพราะว่าจิตที่รู้นั้นแข็งแรงมีกําลังมากกว่าตัวเวทนาที่เกิดมันสามารถแยกออกมาได้เราก็สามารถที่จะไปรู้เวทนาที่เกิดขึ้น แล้วก็ดูเวทนานั้นเห็นความตั้งอยู่ของเวทนาและมันจะแรงขึ้นก็ตามจางคลายลงไปก็ตามนั่นแสดงว่าเวทนามันไม่เที่ยงถ้าราบปวดตรงเขา่าข้างซ้ายความปวดที่จิตเข้าไปรู้นั้น ในระดับหนึ่งที่ท แ, รแรกรู้ของจิตแต่เมื่อรู้ไปแล้วความปวดนั้นแรงขึ้นหรือความปวดนั้นเบาลงนั่นแสดงว่าเวทนามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปตลอดเวลามันไม่ใช่สาระไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนและในที่สุดมันก็จะหายไปดับไปถ้าจิตรู้ชัดอย่างนี้ แล้วก็กลับมารู้โลหมายใจความสุขความสบายความเอบอบิ่มของจิตที่เกิดขึ้นความเอบอบิ่มเกิดขึ้นในลักษณะที่กายมันไม่ที่กายมันนิ่งไม่ไหวติง และมันเกิดความเอิบอิ่มขึ้นมาเป็นความเอิบอิ่มเหมือนกับเป็นรสราบสั้นที่เกิดขึ้นเต็มกองกายที่จิตเข้าไปรู้มันเกิดเต็มกองกายนี้และจิตเข้าไปรู้และจะทำอย่างไรก็แค่รู้เท่านั้นไม่ปล่อยให้จิตหลงและเกิดความเพลินความยินดีแค่รู้เท่านั้น ว่ามันมีสภาวะอย่างนั้นเกิดขึ้นแค่รู้เท่านั้นเมื่อมีลมหายใจเคลื่อนก็กลับไปรู้ลมหายใจอย่างเดิมเมื่อลมหายใจออกเคลื่อนรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าเคลื่อนรู้ลมหายใจเขา้าตรงที่เดิมจุดเดิมแม้ยังมีความอืบอิ่มอยู่ยังมีความสบายอยู่แต่ก็จิต จะอยู่ที่ลมความแข็งแรงไม่ให้จิตไปหลงไปเพลิดไปเพลินอยู่กับสภาวะละเอียดที่เกิดขึ้นเกาะอยู่กับลมหายใจได้ความอบอิ่นั้นเมื่อแก่ตัวขึ้นมามันก็จะทำให้เกิดความสบายเกิดความสุขณนะตรงนั้นแม่เวทนาที่มีอยู่มันก็จะสะหบไปหมดกายเหมือนแท่งกายที่ตั้งอยู่นิ่ง จิตจะคอยรู้ดูอยู่กับลมหายใจรู้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งอยู่กับลมหายใจรู้แบบไม่ต้องวิ่งหาดูไม่ต้องวิ่งหารู้รู้แบบซื่อๆรู้แบบสบายรู้แบบธรรมชาติของคขาบขณะที่ลมหายใจหยุดจิตก็รู้ในการที่ลมหายใจมันหยุดโดยไม่ไปใส่ใจว่าลมหายใจเข้าจะมาตอนไหนลมหายใจออกจะมาตอนไหนก็รู้ลมหายใจที่หยุดอยู่นั้น เมื่อลมหายใจเข้าเข้ามาจิตก็รู้ลมหายใจที่มันเข้าเมื่อลมหายใจออกมาจิตก็รู้ลมหายใจที่มันออกเมื่อลมหายใจเข้ามาจิตก็รู้ว่าลมหายใจมันเข้าพอลมหายใจหยุดจิตก็รู้ว่าลมหายใจหยุดไม่เรียกร้องให้ลมหายใจหายใจเข้าหรือเรียกร้องหาลมหายใจออกก็เฝ้าดูรู้ลมหายใจหยุดอยู่เมื่อลมหายใจเข้ามาก็รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกมาก็รู้ลมหายใจออกและก็ไม่เรียกร้องหาลมหายใจหยุด เมื่อลมหายใจมันหยุดจิตก็รู้ลมหายใจหยุดไม่เรียกร้องหาลมหายใจเข้าไม่เรียกร้องหาลมหายใจออกอย่างนี้จิตรู้ลมหายใจที่หยังเข้าไประลึกนั้นมันจึงเป็นธรรมชาติขึ้นมา ตัวไปนี้อดจิตรู้สบายสบายไปรู้ที่มือข้างขวาขายับปลายนิ้วมือขวาให้จิตรู้สึกขยับปลายนิ้วมือขวาให้จิตรู้สึกช้าๆไม่ต้องรีบให้ให้จิตมารู้สึกจริงๆอยู่ที่ปลายนิ้วมือข้างขวาจากนั้นค่อยๆยกมือขวาขึ้นช้าๆ เ <ersch> คื่อนมือขวาไปวางไว้ที่ข่าข้างขวาโดยที่จิตรู้สึกอยู่ที่มือข้างขวาวางอยู่บนข่าข้างขวาจากนั้นโยกจิตมาที่มือข้างซ้ายขยับปลายนิ้วมือซ้ายให้จิตรู้สึกแล้วยกมือข้างซ้ายขึ้นให้จิตรู้สึกเคลื่อนมือซ้ายไปวางไว้ที่เ่าข้างซ้ายจิตรู้สึกมือซ้ายวางอยู่บนเ่าข้างซ้าย ยกจิตกลับมาสู่บริเวณใบหน้าผากหน้าขึ้มานิดหนึ่งแล้วก็ลืมตาออกจากสมาธิอขออนุมโมทนาในการนั่งสมาธิรอบบ่ายนี่ในการภาวนาเราต้องรู้อย่างนี้เรา ร, รู้ว่าอย่างวันนี้เนี่ยหลายคนทีเดียวอนุมโมทนาด้วยรู้ว่ามีเวทนาแต่เวทนาไม่เสียดแทงจิต อันนี้แหละมันหายากกว่าจะเจอมันรู้ว่ามีเวทนารู้ว่าปวดรู้ว่าปวดแต่เวทนาที่เกิดมันไม่เสียดแทงจิตเมื่อก่อนเวลาเรานั่งปั๊บเวทนาเกิดปั๊บมันเสียดแทงมันสู้ไม่ได้มันสู้ไม่ไหวทำไมตอนนี้วันนี้มันสู้ได้สู้ไหวเรามันไม่เสียดแทงจิตเพราะจิตที่มันรวมสติมันแข็งแรงอยู่กับลมหายใจนั้นมันมีกาลังมากกว่าเวทนา แลอีกอย่างหนึ่งที่อนุมโมทนาไว้ก็คือว่าการเห็นความคิดการรู้ว่ามันมีความคิดเกิดพอจิตไปรู้ความคิดปั๊บความคิดนั้นหายไปนี่เป็นเป็นเส้นทางที่จะทําให้เราดับอกุศลโดยไม่ให้อกุศลครอบงาจิตคืออกุศลมันเกิดได้แหละอกุศลมันก็คือความคิด อาจจะมาจากสิ่งที่กระทบก็ตามอะไรก็ตามแต่เวลามันทรงตัวอยู่ที่จิตมันทรงตัวอยู่ในลักษณะของความคิดถ้าเราสามารถรู้เห็นความคิดที่เกิดขึ้นและไม่ไปปรุงแต่งมันดูมันปับ๊บเดี๋ยวมันเห็นดับพอเห็นความคิดนั้นดับนั่นต่อไปเราก็สามารถที่จะเห็นอกุศลมันเกิดและก็ดับโดยที่จิตไม่ต้องไปตกอยู่ใต้อํานาจของอกุศล น, นั้นนี่นี่เป็นความก้าวหน้าของการปฏิบัติของพวกเราขอาให้พักสิบนาทีเดี๋ยวกลับมา